วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ส0สิงหาคมพุทธศักราชสองพันห้า้อยหกสิบสามที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษามาเรียนรู้ว่าพระพุทธศาสนา ทำอะไรให้กับเราได้บ้างเราได้รับประโยชน์อะไรจากพระพุทธศาสนาประโยชน์ที่พระพุทธศาสนาจะมอบให้กับพวกเรานี้ก็มีอยู่สองประโยชน์ด้วยกันคือจะรับประกันภัยให้กับจิตใจของเราแล้วก็จะรับประกันชีวิตของพวกเราไม่ให้พวกเราต้องมาตายกันอย่างที่เรา เป็นอยู่กันในขณะนี้พระพุทธศาสน า, าก็เปรียบเหมือนกับบริษัทประกันนี่เองขายประกันภัยแล้วก็ขายประกันชีวิตผู้ที่มาศึกษามานับถือพระพุทธศาสนา <c oughs> ก็สามารถเลือกซื้อประกันได้ศาสนาไม่บังคับให้คนมาซื้อปร ะ, ประกันจากศาสนา เหมือกับบริษัทประกันภัยไม่ได้บังคับให้คนมาซื้อประกันภัยซื้อประกันชีวิตปล่อยให้เป็นไปตามความสมัครใจเพราะว่าการจะซื้อประกันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมาขอรับประกันไปแล้วก็จะได้ประกันเลยอยากจะซื้อประกันภัยก็ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยซื้อประกันชีวิตก็ต้อง จ่ายประกันชีวิตเขาถึงจะคุ้มครองเราได้พุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็แบ่งไว้เป็นสองระดับด้วยกันระดับแรกก็ระดับประกันภัยของจิตใจระดับที่สองก็ระดับประกันชีวิตของของพวกเราของร่างกายของพวกเรา ประกันไม่ให้เราต้องมาตายกันอยู่เรื่อยๆอย่างที่เราเป็นกันอยู่ในขณะนี้เพราะเราไม่ได้ซื้อประกันภัยประกันชีวิตกันมาก่อนถ้าเรายังไม่ซื้อประกันชีวิตเราก็ต้องตายกันอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราซื้อประกันชีวิตจากพระพุทธศาสนาแล้วเราจะไม่ต้องมาตายกันอีกต่อไปเพราะเราจะไม่มาเกิดกันนั่นเอง นี่คือศาสนาพุธประโยชน์ที่เราจะได้รับจากพระพุทธศาสนา ม, มีสองระดับด้วยกัน<ม>ระดับแรกคือระดับประกันภัย<ม>คือถ้าเราซื้อประกันภัยจากพระพุทธศาสนาภัยที่จะมาคุกคามจิตใจของพวกเรานี่จะไม่สามารถมาคุกคามได้ ภัยของจิตใจของพวกเราคืออบายคืออะไรก็คืออบายสี่สถานนั่นเองอบายสี่ชนิดด้วยกันคือพบภูมิที่จิตใจของพวกเราอาจจะต้องไปเกิดในอบายกันเพราะถ้าเราไม่ซื้อประกันเราก็จะไม่มีอะไรมาคุ้มของไม่ให้จิตของเรา ตกไปในอบายอบายนี้มีสี่ที่ด้วยกันได้แก่หนึ่งเดชะานสองเปรตสามอสุรกายสี่นรกอบายทั้งสี่นี้เกิดจากผู้ที่ไม่ซื้อประกันภัยกันถ้าผู้ซื้อประกันภัยแล้วจะไม่ต้องตกไปต้องไม่ต้องไปเกิดในอบายต่อไป ปะกันภัยนี้คืออะไรที่จะป้องกันไม่ให้จิตใจของเราตกไปในอบายปะกันภัยนี้ก็คือศีลห้านี่เองถ้าเรารักษาศีลห้ากันได้คือหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สาไม่ประพฤติผิดปะเวณีสี่ไม่พูดปดห้าไม่ดื่มสุรายาเมาและอบายามุขทั้งหลาย อ, อบายามุขนอกจากสุราแล้วก็มีเล่นการพนันเที่ยวเตะทั้งกลางวันทั้งกลางคืนความเกลียดคร้านแล้วก็ชบคบคนที่ชอบอบายามุขเป็นมิตรนถ้าเราไปคบคนที่ชอบดื่มสุราเขาก็จะชวนเราไปดื่มสุรา ถ้าเราคบคนที่ชอบเล่นการพนันเขาก็จะชวนเราไปเล่นการพนันถ้าคบคนที่ชอบเที่ยวเตะเขาก็จะชวนเราไปเที่ยวเตะคบคนเกียดค้านเขาก็จะชวนให้เราเกียครค้าน Pilot <taraf> การกระทำเหล่านี้ไม่ได้เป็นการนำมาซึ่งรายได้มีแต่สูญเสียรายได้มีแต่สูญเสียทรัพย์สินเล่นการพนันไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเสีย ไม่มีใครเล่นเล้าได้ตลอดเวลา mm hmm. เวลาได้ก็อยากจะได้อีกก็เล่นอีก mm hmm. เวลาเสียก็อยากจะได้คืน mm hmm. ก็เล่นไปจนในที่สุดก็หมดเนื้อหมดตัวได้สิ้นเนื้อประดาตัวได้ mm hmm. คนซื้อสุรามาดื่มก็เสียเงินเสียทอง mm hmm. ดื่มมากๆก็จะทำให้เสียสุขภาพ mm hmm. แล้วก็เสีย <c oughs> เสียสติขาดสติทําให้ไม่สามารถไปทํางานทำคารได้จะทำให้ขาดรายได้ตกงานแล้วก็จะทําให้ต้องไปทำบาปในการหาเงินหาทองมาใช้ต่อไปพระพุทธเจ้าจึงต้องห้ามของผู้ที่ต้องการจะซื้อประกันภายนีนไม่นอกจากไม่ทาบาปแล้ว ต้องไม่เสพอบา ย, ยมุกด้วยเพราะอบา ย, ยมุกคำ ว, ว่าก็แปลว่าประตูสู่อบายนั่นเองทางเข้าอบายมุกแปลว่าทวาวรหรือทางเข้าอบายก็คือที่ภูมิของอบายสี่คือเดชานเปรตอสุรกายและนรกผู้ที่ทํำบาปสี่ข้อนี้ เกิดจากส่วนหนึ่งเกิดจากไปเสพอบายามุขก่อนพอเสพบายามุขแล้วพอเงินทองไม่พอใช้ก็คิดหาเงินทองโดยวิธีไม่ชอบไปลักท <c oughs> ร, รัพย์บ้างไปทำอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบ้างไปโกหกหลอกลวงผู้อื่นบ้างเพื่อที่จะได้เอาเงินทองมาใช้จ่ายต่อไปดังนั้น <c oughs> นอกจากไม่ทำบาปแล้วก็ต้องหลีกเลี่ยงอบายมุขด้วยเพราะถ้าไปเสพอบายมุขก็เท่ากับไปเดินเข้าไปอยู่ใกล้ๆทางเข้าอบายนั่นเองถ้าไม่เสพอบายมุขก็จะไม่ไม่ได้อยู่ทางไม่ได้อยู่ใกล้ทางเข้าอบายเพราะนั้นการจะไปเข้าไปในอบายก็จะยากกว่าผู้ที่ไปอยู่ปากทางเข้าอบายผู้ที่ไม่เสพอบายมุขก็จะ ยากต่อการที่จะไปทำบาปเพราะผู้ที่ไม่เสพอบายามุกนี้มักจะมีเงินทองพอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้เพราใช้จ่ายกับสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นสิ่งที่จำเป็นก็คือปัจจัยสี่อาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ต้องใช้เงินทองมาก เหมือนกับการไปเสพอบายอบา ย, ยมุขต่างๆดังนั้นถ้าต้องการที่จะปลอดภัยจากการไปเกิดในอบายต้องอย่าไปเสพอบา ย, ยมุขแล้วก็รักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ละเว้นการฆ่าสัตว์นักทรัพยพิผประเวณี พูปดปดดื่มสุรายาเมาการดื่มสุรายาเมาจะทาให้ขาดสติพอไม่มีสติแล้วก็จะไม่มีอะไรมาควบคุมความคิดไม่มีอะไรมาควบคุมการกระทาทางกายทางวาจานึกคิดอยากจะพูดอยากจะทำอะไรก็จะพูดไปทันทีทาไปทันทีซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นความนึกคิดที่ไม่ไม่ดี เช่นวาจาก็ไม่สุภาพคนดื่มสุรายาเมาแล้วมักจะมีความคิดที่อยากจะพูดคาหยาบต่างๆแล้วพออารมณ์เสียก็อยากจะทาร้ายสิ่งของทาร้ายบุคคลผู้อื่นให้เสียหายเดือดร้อนจึงมีความจำเป็นที่จะต้องไม่ดื่มสุรายาเมาเพราะการที่จะรักษาศีลไม่ทาบาปได้ จะต้องมีสติบริบูรณ์ต้องมีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาเ่นตอนนี้พวกเรามีสติสมบูรณ์พวกเรารู้ว่า เ, เราจะไม่ทำบาปกันเราจะไม่ลักทรัพย์กันเราจะไม่ประพฤติผิดอเวณนีเราจะไม่พูดปดกันเพราะเรามีสติสามารถควบคุมความคิดการพูดการกระทำของเราได้ทำให้พวกเรานี้นั่งอยู่เฉยๆได้ การนั่งอยู่เฉยๆนี้สแสดงว่าพวกเรามีศีลห้าแล้วตอนนี้ไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ได้ประพฤติผิดปรเวณีไม่ได้โกหกไม่ได้ดื่มสุรายามเมาถ้าไม่ทําบาปแล้วอบายทั้งสี่ก็จะไม่เป็นที่ไปของจิตใจของพวกเราจิตใจของพวกเรานี้ไม่ได้เป็นร่างกาย จิตใจกับร่างกายนี้เป็นคนละคนกันัวเราเนี่เป็นฝาแฝดมีแฝดที่เห็นด้วยตาและแฝดที่เห็นมองไม่เห็นด้วยตาแฝดที่เห็นด้วยตาก็คือร่างกายของเราส่วนแฝดที่มองไม่เห็นก็คือใจของเราหรือความรู้สึกนึกคิดเนี่ยที่เราเรียกว่าจิตใจ จิตใจกับร่างกายนี้เป็นคนสองคนามาร่วมกันเหมือนสามีภรรย า, าการจะมีครอบครัวมีลูกมีหลานได้ก็ต้องมีสามีมีภรรยาฉัานใดการที่ <c oughs> จิตใจจะทำอะไรในโลกนี้ได้ก็จาเป็นที่จะต้องมีร่างกาย เ, าเป็นเป็นคู่ร่วม ร่วมทุนเป็นเหมือนบริษัทเนจะมาลงทุน <c oughs> เหมือนคนต่างชาติเวลาจะมาลงทุนทำอะไรในประเทศไทยก็ต้องมีคนไทยมาร่วมทุนด้วยถึงจะมาลงทุนทำธุรกิจในเมืองไทยได้จิตใจของพวกเรานี่ก็เหมือนกันจิตใจของพวกเรานี่ต้องการที่จะมาแสวงหาผลประโยชน์จากโลกนี้ ผลประโยชน์ที่จิตใจพวกเราต้องการจากโลกนี้คืออะไรก็คือโลกธรรมสี่ได้แก่ลาบยศสารเสริญสุขนี่เองการที่จะหาลาบยศสารเสริญสุขได้จิตใจก็ต้องมีร่างกายจิตใจที่ไม่มีร่างกายเราก็เรียกว่าดวงวิญญาณหรือจิตวิญญาณเป็นจิตใจที่ตายจากภพก่อน คือร่างกายเก่าตายไปจิตใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายก็เลยเป็นจิตวิญญาณแล้วก็มารอโอกาสที่จะได้ร่างกายอันใหม่พอมีพ่อแม่คนใหม่ทำการสร้างร่างกายอันใหม่ขึ้นมาจิตใจก็จะไปเกาะติดทันทีเนี่ย ดวงวิญญาณนี้จะไปเกาะติดกับร่างกายของทารกในในท้องแม่ทันทีแล้วพอร่างกายคลอดออกมาจิตใจก็สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆอยากได้อะไรก็สั่งให้ร่างกายไปหามาอยากได้ลาบยศลรเสริญสุขก็สั่งให้ร่างกายไปหามาการหาลาบยศลรเสริญสุขนี้ ถ้าไม่มีใครสอนไม่มีใครห้ามก็อาจจะไปหาโดยวิธีทำบาปกันเพราะการหาอะไรด้วยการทำบาปนี้มันง่ายกว่าการไม่ทำบาปนั่นเองเช่นการไปลักขโมยมันง่ายกว่าไปทำงานทำงานเดือนหนึ่งอาจะได้เงินเดือนทักหมื่นหนึ่งนี่ไปลักขโมยทีหนึ่งอาจจะได้เป็นหมื่นเป็นแสนเลยก็ได้ คนบางคนที่ <c oughs> มีความเห็นผิดเป็นชอบก็มักจะคิดว่าหาเงินแบบนี้ดีกว่าหาเงินด้วยวิธีง่ายๆแต่ได้มามากๆและเร็วๆก็มักจะไปหาโดยวิธีหลอกลวงบ้างโกหกหลอกลวงชออ่อทรัพเป็นต้นบางคนก็หาโดยวิธีฆ่าสัตว์ตัดชีวิต บางคนก็รับจ้างเป็นมือปืนอาชีพอยากจะให้ค่าใครก็รับก็ได้เงินทองมาอย่างง่ายดานแต่รวดเร็วแต่คนพวกนี้เขาไม่รู้ว่าการกระทําบาปนี้มีผลกระทบต่อจิตวิญญาณของเขาอย่างไรเขาไม่รู้ว่าหลังจากที่นั่งกายเขาตายไปแล้วนี่ จิตของเขาจะต้องไปรับผลที่เกิดจากการกระทำบาปของเขาต่อไปทำไมอบายถึงมีแบ่งไว้เป็นสี่สี่ช่องสี่สถานที่ด้วยกันก็เพราะว่าเหตุของการทำบาปนี้มีอยู่สี่ชนิดด้วยกันคนเราบางคนทำบาปด้วยความหลงด้วยความโง่เขลาเบาปัญญา ไม่รู้ว่าทำบาปแล้วจะมีโทษตามมาคนพวกนี้ก็เป็นเหมือนกับพวกสัตว์เดรัจฉานที่ต้องทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเขาก็คิดว่าการฆ่าสัตว์ัชีวิตเพื่อมาดำรงชีพนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติของของการอยู่รอดถ้าต้องอยู่รอดก็ต้อง กินสัตว์อื่นตรงนี้ก็เป็นเหมือนพวกสัตว์เดราชานสัตว์เดราชฉานเขาก็กินสัตว์อื่นเป็นอาหารเพื่อการอยู่รอดของเขาสัตว์ใหญ่ก็กินสัตว์เล็กตัวไหนเล็กกว่าก็ถูกตัวใหญ่กินไปเพื่อการอยู่รอดของชีวิตของเขาที่ท่านเรียกว่าทำด้วยความโง่เขาเบาปัญญา ทำโดยไม่รู้กฎของกรรมไม่รู้ว่าผลของบาปนี้จะมีเกิดขึ้นกับจิตใจของเขาตรกนี้เขาไม่มีสติปัญญาที่จะรับรู้แม้แต่ว่าตัวเขานี้เป็นอะไรได้วยซ้าไปเขาจะไม่รู้ว่าเขาเป็นจิตวิญญาณเขาจะคิดว่าเขาเป็นร่างกายถ้าเป็นวัวก็คิดว่าเขาเป็นวัวร่างกายของอวัว ถ้าเป็นควายเป็นหมาเป็นอะไรเขาก็คิดว่าเขาเป็นอย่างนั้นแต่ความจริงร่างกายของเขานั้นไม่ได้เป็นตัวเขาตัวเขาคือจิตวิญญาณผู้สั่งให้ร่างกายของเขาทาอะไรต่างๆดังน <Yeah. S 1> นเวลาที่เขาไม่เขาไม่มีเขาไม่รู้จักวิธีเลี้ยงชีพด้วยวิธีอื่นเขาก็จะเลี้ยงชีพด้วยการฆ่าผู้อื่น yeah. Yeah. การเลี้ยงชีแบบนี้การทำบาปแบบนี้ท่านเรียกว่าทำบาปด้วยความหลงด้วยความโง่เขลาบาปัญญาผลของการทำบาปแบบนี้ก็จะไปสู่อบายช่องที่หนึ่งหรือสถานที่หนึ่งคือเดรัจฉานผู้ที่ทำบาปด้วยความหลงนี่จะตายไปแล้วจะต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานกัน จะต้องไปใช้กรรมให้หมดก่อนก่อนถึงจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ <Yeah. S 2> น, นี่คือช่องที่หนึ่งที่ไปที่หนึ่งของผู้ที่กระทำบาปด้วยความหลง <Yeah. S 2> ที่ไปข้อที่สองที่ที่สองของผู้กระทำบาปด้วยความโลภ <Yeah. S 2> บางคนทำบาปเพราะว่า mm hmm. อยากจะได้มากๆอยากรวยอยากจะมีอะไรมากๆถ้า ทำอาชีพที่ไม่ทำบาปแล้วมันได้ไม่มากออก็เลยเปลี่ยนอาชีพเช่นไปค้ายาเสพติดออไปทำอาชีพที่ไปเบียดเบียนผู้อื่นออไปโกหกหลอกลวงไปต้มไปตุนผู้อื่น เ, ออเพื่อที่จะได้เงินทองมามากมายออพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นพวกที่ทำบาปด้วยความโลภทำบาปที่ด้วยความโลภเจ จิตวิญญาณของเขาก็จะเป็นจิตวิญญาณของเปรตไปเพราะว่าธรรมชาติของเปรตก็คือมีแต่ความหิวความโลภอยู่ในใจนั่นเองได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอพวกที่อยากจะได้มากๆนี้ได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้ไม่รู้จักว่าพอได้ร้อยก็อยากจะได้พันพอได้พันก็อยากจะได้หมื่นได้หมื่นก็อยากจะได้แสนได้เท่าไหร่ก็ไม่พอได้ร้อยล้านก็ยังไม่พอ อยากไปอยากไปเรื่อยๆจนวันตายเนะ่ยพวกนี้จิตใจก็เลยมีความหิวอยู่ตลอดเวลาความโลภนี่ก็คือความหิวของจิตใจนี่เองก็จะทําให้จิตใจนี้เพิ่มความหิวขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งหิวยิ่งไปทําตามความหิวยิ่งหิวใหญ่แทนที่จะอิ่มมันกลับไม่อิ่มมันกลับจะทําให้หิวมากขึ้นเมื่อก่อนมีวันละร้อยก็ก็อยู่ได้ พอได้วันละพันนะทีนี้กลับมาอยู่ใช้วันละร้อยไม่ได้แล้วแล้วพอใช้วันละพันก็อยากจะใช้มากขึ้นไป อ, อยากจะใช้วันละหมื่นมันทำให้จิตใจนี่หิวโหวยอยู่ตลอดเวลาได้อะไรมามากน้อยเพียงไรก็ไม่สามารถทำให้จิตใจอิ่มได้ถ้ายังมีความโลภอยากได้อยู่เรื่อยๆพอตายไปดวงวิญญาณก็จะเป็นดวงวิญญาณที่โหหิวโหย ล้าก็จะทุกทรมานเพราะจะไม่สามารถหาสิ่งต่างๆมาตอบสนองความหิวโหยได้ในขณะที่เป็นดวงวิญญาณเลยต้องมารออาศัยบุญของผู้ที่มีชีวิตอยู่อย่างพวกเราเวลาพวกเราทำบุญเราก็แบ่งบุญนี้ไปให้พวกเปรตได้เขาก็จะมารอรับส่วนบุญของพวกเรา แต่สาหรับผู้ที่ไม่ได้ทำบาปด้วยความโลภ <Yeah. S 2> จะไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรต <Yeah. S 2> ไม่ต้องกลัว <Yeah. S 2> ถ้าทำทรมาหากิน <Yeah. S 2> ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต <Yeah. S 2> ไม่ทาบาปถึงแม้จะโลภแต่โลภแล้วไม่ทำบาก็ไม่ไปเป็นเปรต <Yeah. S 2> โลภได้แต่จะโลภแล้วไปทำบาป <Yeah. S 2> ลรบแล้วขยันทรมาหากินจะมีงานดึน ง, งาน เงินเดือนไม่พอใช้ก็ไปทำสองงานหางานเพิ่มเองอย่างนี้เรียกว่โลภแต่โลภแบบไม่ได้ไปทําบาปไม่ได้ไปทําให้ใครเสียหายเดือดร้อนอย่างนี้ก็ยังไม่ต้องไปเป็นเปรตถ้าตาบใดเราไม่ไปทําบาปนี่จิตของเราจะไม่ตกไปในอบายอย่างแน่นอนถึงแม้เราจะโลภถึงแม้ว่าเราจะหลงแต่ถ้าเราไม่ไปทําบาป เราจะไม่ต้องไปเกิดในอบายอบายชนิดที่สามที่เราอาจจะต้องตกไปเป็นก็คือการทำบาปด้วยความกลัว บ, บางทีเรากลัวอะไรจะมาทำให้เราเดือดร้อนเราก็เลยไปทำร้ายสิ่งที่มาทำให้เรากลัวก่อนเช่นเรามักจะชอบทำลายพวกสัตว์เล็กสัตว์น้อยกัน ตบยุงฆ่ามดฆ่าแมลง <Yeah. S 1> หรือถ้าเจองูก็ตีมันทันทีฆ <Yeah. S 1> ่ามันทันที <Yeah. S 1> แทนที่จะไล่มันไปเรากลับไม่ไล่มันไปเรากลัวว่าไล่มันไปแล้วเดี๋ยวมันจะกลับมาอีก <Yeah. S 1> ความกลัวมันจะทำให้เราคิดอย่างนั้น <Yeah. S 1> ถ้าเราทําบาปด้วยความกลัว <Yeah. S 1> ด ว, วงวิญญาณของเราก็จะเป็นอสุรกาย สุลกายก็เป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัวมีแต่เรื่องหวาดเสียหวาดกลัวมาให้กังวลอยู่ได้เรื่อยในขณะที่เป็นดวงวิญญาณ <Yeah. S 2> แล้วอีกพวกหนึ่งอบายอีกที่นึงเราเรียกว่านรกเนี่ย <Yeah. S 2> นรกก็คือที่ไปของผู้ที่ทําบาปด้วยความโกรธแค้นอาฆาตพยาบาท <Yeah. S 2> เวลามีความโกรธแค้นโกรธเคืองใครนี้ต้องล้างแค้น yeah. ต้องฟันต่อฟันตาต่อตาถึงจะทำให้สบายใจแต่มันไม่ได้สบายใจหรอกพอไปทำร้ายเขาแล้วมันก็ยิ่งทำให้ใจเราวุ่นวายขึ้นมาเวลาเขาทำเราเราก็แครนเขาพอเราไปทำเขาเราก็กลัวเขาจะกลับมาทำร้ายเราอีกเรากลัวว่าจะต้องถูกไปจับตรงโทษอีกถ้าทำผิดกฎหมายมันก็เลยสร้างความรุ่มร้อนให้แก่จิตใจ ผู้ที่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร <c oughs> ผู้ที่ผู้ที่ทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทนี้ก็จะเนี่ยจะไปนรก <c oughs> นรกก็คือที่ที่มีแต่ความรุ่มร้อนของจิตใจ <c oughs> เห็นเหมือนไปเกิดอยู่ในกองไฟกองเพลงนี่คือสภาพของจิตใจของผู้ที่ทำบาป จะต้องไปรับผลหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วพวกเราที่ไม่รู้เรื่องของจิตใจเราจจะคิดว่าตายไปแล้วอาจจะสูญตายไปแล้วร่างกายก็กลายเป็นขี้เท่าขี้ฐานไปหรือก็เอาไปฝังไว้ในดินแล้วใครล่ะจะไปรับผลบาปต่อไปออเรามองไม่เห็นจิตวิญญาณของพวกเราเราไม่รู้ว่าความคิดของเรานี่ ผู้คิดนี้ไม่ได้เป็นร่างกายเนี่ยผู้คิดผู้รู้นี้เป็นจิตใจที่ไม่มีรูปร่างเหมือนกับร่างกายนีแต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่มีผู้รู้ผู้คิดใช่ไหมถ้าไม่มีผู้รู้ผู้คิดนี้เราจะมานั่งที่นี่ด้วยกันไม่ได้เพราะเราต้องให้ผู้รู้ผู้คิดนี้เป็นเป็นผู้สั่งให้เรามาที่นี่กันผู้รู้ผู้คิดจะสัง่งว่าเดี๋ยววันนี้มาฟังเทศฟังธรรมที่วัดกัน พอถึงเวลาผู้รู้ผู้คิดก็สั่งให้ร่างกายออกเดินทางมาทุกก้าวของการเดินทางก็เป็นผู้รู้ผู้คิดเป็นผู้คอยควบคุมตลอดเวลาเนี่ย <Yeah. S 1> ผู้ที่ควบคุมร่างกายของเหล่านี้ไม่ใช่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเป็นผู้กระทำบาปกระทำบาปด้วยความคิดคิดแล้วก็สั่งให้ร่างกายไปทำตาคําสั่ง ทำแล้วก็เกิดผลขึ้นมาที่ผู้รู้ผู้คิดน่ผลนี่เกิดขึ้นมาสองตอนด้วยกันเกิดขึ้นในตอนปัจจุบันพอเราทำบาปปั๊บนี้ใจเราจะร้อนขึ้นมาทันทีใจเราจะไม่สบายขึ้นมาจะรู้สึกไม่สบายใจทุกครั้งที่เราทำบาปทุกครั้งที่เราโกหกเราจะรู้สึกไม่สบายใจทุกครั้งที่เราลักทรัพย์ของผู้อื่นเราจะรู้สึกไม่สบายใจ การกระทำบาปนี้มันมีผลเกิดขึ้นที่จิตใจของวกเราทันทีแต่พวกเราอาจจะไม่สังเกตก็อาจจะคิดว่าเกิดที่ร่างกายบางทีร้อนใจก็ไปอาบน้ำคลายร้อนบางทีอาบเท่าไหร่มันก็ยังไม่หายร้อนเพราะว่าความร้อนมันอยู่ที่ใจแต่เราก็ไปทำอย่างอื่นต่อไปความร้อนมันก็เลยถูกกลบไปชั่วคราว แต่มันไม่หายไปมันจะสะสมอยู่ในใจของพวกเราพอเวลาที่ร่างกายเราตายไปบาปที่เราทำนี้มันก็จะเป็นผู้มาคิดบัญชีกับจิตใจของเราว่าทำบาปอันไหนมากกว่ากันทำบาปเพราะความหลงมากกว่ากันก็ส่งไปเป็นเดราชฉานก่อนทำบาปเพราะความโลภมากไปอย่างอื่นก็ส่งไปเป็นเปรตก่อน ทำบาปเพราะวาความกลัวมากกว่าอย่างอื่นก็ส่งไปเป็นอสุรกายก่อนทำบาป ด, ด้วยความอาฆาตพยาบาทด้วยความโกรธแค้นก็ส่งไปนรกก่อ น, นก็อยู่ว่าบาปชนิดไหนมากกว่ากัน น, นี่แหละคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าเราไม่ซื้อประกันภัยจากพระพุทธศาสนานถ้าเรามาพบกับพระพุทธศาสนานี้ คำสอนแรกของพระพุทธเจ้านี้จะสอนให้พวกเราละการกระทำบาปทั้งปวงเลยคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เนี่ยมีอยู่แค่สามคำสอนเท่านั้นเองคำสอนข้อที่หนึ่งก็คือให้เราละการกระทำบาปทั้งปวงก็คือให้เรามาซื้อประกันภัยกันเพื่อป้องกันไม่ให้จิตวิญญาณของเราตกไปในอบายถ้าเรา ละการกระทำบาปตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนได้คือรักษาศี่ห้าให้บริสุทธิ์ตลอดเวลาไม่ทำบาปไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดอเวณนี้ไม่พูดปดไม่ดื่มสุรายาเมารับประกันได้ว่าดวงวิญญาณจะไม่ตกไปในบายอย่างแน่นอนนี่คือข้อแรกของคำสอนของพระพุทธเจ้า ก็คือให้พวกเรามาซื้อประกันภัยจากพระพุทธศาสนากันก่อน Grid. ก่อนที่จะไปซื้อประกันชีวิตนี้ต้องซื้อประกันภัยก่อนเพราะถ้าเราไม่ซื้อประกันภัยนี้เราจะมาซื้อประกันชีวิตไม่ได้เพราะการจะซื้อประกันชีวิตได้นี้เราจะต้องกลับเราจะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อย่างน้อยถ้าไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นนักสุรกายไปตกนรกนี่ เราจะไปซื้อประกันชีวิตไม่ได้ในอบายนี้ไม่มีที่ขายประกันชีวิตจะซื้อประกันชีวิตได้ต้องมาเกิดในภพของมนุษย์และก็ต้องมีบริษัทขายประกันชีวิตขายอยู่บริษัทที่ขายประกันชีวิตก็คือพวกพุทธศาสนานี่เองดังนั้นถ้าเราอยากจะซื้อประกันชีวิตนี่เราต้องมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ต้องมีพระพุทธศาสนา ที่เป็นบริษัทที่จะประขายประกันชีวิตให้กับพวกเราตอนนี้พรนี้เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วแล้วเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วแล้วเรารู้ว่าพระพุทธศาสนานี้ขายประกันให้กับเราอยู่สองชนิดด้วยกันประกันภัยคือป้องกันไม่ให้เรากลับลงไปเกิดในที่ต่ำ เราก็ซื้อประกันภัยไว้ก่อนเพียงรักษาศีลห้าข้อเท่านั้นเองเขาก็ปลอดภัยนะอย่าทำบาปไม่ว่าจะอยู่ต่อหน้าหรือลับหลังให้ให้รักษาศีลให้บริสุทธิ์ตลอดเวลาการรักษาศีลก็ไม่ยากหรอกถ้าเรามีความตั้งใจแล้วถ้าเรามีความฮิริโอตปะฮิริคือความอาย อตปะคือความกลัวกลัวผลของบาปอายของผลของบาปที่จะเกิดขึ้นเวลาเราทําบาปนี้เรามักจะไม่อยากให้ใครรู้ใช่ไหมเพราะเราอายเพราะเรารู้ว่าคนทําบาปนี้จะถูกปัญาว่าเป็นคนไม่ดีไม่มีใครอยากจะถูกปัญาว่าเป็นคนไม่ดีดังั้นเราต้องมีความอายในตัวเรา เราไม่อยากจะให้คนอื่นเขาดูถูกเราประนามเราว่าเราเป็นคนไม่ดีเราก็ต้องไม่ไปทำบาปถ้าเราไม่ทำบาปแล้วเขาไม่มีใครจะมาว่าเราไม่ดีได้ไม่มีใครจะมาประนามว่าเราเป็นสัตว์ได้ใช่ไคนเราชอบด่ากันชอบเรียกว่าเป็นหมาบ้างเป็นแมวบ้างเป็นตัวตัวเงิน ต, ต, ต, ตัวทองบ้างเน <Yeah. S 1> เพราะเขาชอบประนามกัน แต่ถ้าเราไม่ได้ทําบาปแล้วต่อให้เขาด่าอย่างไรว่าอย่างไรเราก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาว่าแล้วเราจะไม่หวั่นไหวเราไม่เดือดร้อนเนี่ยส่วนโอตปะก็คือให้รู้ว่าผลของการที่เราทำบาปจะเกิดอะไรขึ้นกับเรากับดวงวิญญาณของเราหลังจากที่ตายไปแล้วพอเรารู้ว่าเราจะต้องไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเป็นเปรตเป็นศูนร่ากาย หรือไปตกนรกเราก็จะไม่กล้าทําบาปขึ้นมาฉะนั้นขอให้เราระลึกถึงผลของการกระทําบาปเราระลึกถึงความไม่สวยงามของผู้กระทําบาปผู้กระทําบาปนี้เถือว่าเป็นผู้ต <c oughs> ่าต้อย <c oughs> เป็นเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานฉะนั <c oughs> ้นถ้าไม่อยากจะลดฐานะของเราจากการเป็นมนุษย์ไปสู่ <c oughs> การเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเป็นเปรต <c oughs> ก็อย่าทำบาปกันอย่างถ้าเรามีฮีริโอต ป, ปะการรักษาบาปนี้จะไม่ยากเลยทุกครั้งที่เราจะทำบาปเราต้องถามตัวเองเราพร้อมที่จะลดฐานะเราลงจากมนุษย์ไปเป็นเดรัจฉานหรือพร้อมที่จะไปเป็นเปรตหรือ เ, เรากินอย่างนี้เราก็ไม่ทำบาปดีกว่าไม่ทำบาปก็ไม่ตายอยู่ได้คนเราไม่โลภทุยอย่างพอมีพอกินก็อยู่ได้แล้ว สมบัติมีอยู่ได้มาเท่าไหร่ตายไปก็เอาไปไม่ได้อยู่ดีสู้เอาศีลธรรมไปดีกว่าเอาศีลธรรมไปก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่มีศีลธรรมติดตัวไปก็ไปต้องไปเกิดในอบายก่อถึงจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ได้งั้นเบื้องต้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราซื้อประกรันภัยไว้ก่อนเผื่อถ้าชาตินี้เรายังไม่สามารถที่จะซื้อประกรันชีวิตได้สําเร็จ อย่างน้อยเราจะได้กลับมาทำต่อได้ในในภพหน้าชาติหน้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อมาทำประกันชีวิตของเราต่อได้เนี่ยขัยนขั้นที่หนึ่งก็คือให้เราซื้อประกันภัยด้วยการรักษาศีลห้านะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดอเวณีไม่พูดปดไม่เดิมสุรายาเมาและของมันเมาต่าง พอเรารักษาศี่ห้าได้แล้วเราก็พร้อมที่จะไปซื้อประกันชีวิตการจะซื้อประกันชีวิตนี้ก็ต้องทำสองอย่างด้วยกันมีเบี้ยรประกันสองอย่างให้เราต้องจ่ายคือหนึ่งเราต้องสร้างบุญสร้างกุศลกันทําบุญทําความดีต่างๆให้ถึงพร้อม เ, เราก็ชำระจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์มีสองมีส ง, งานที่เราจะต้องทํา ในการที่จะทำใ ห, etzt, ให้เรานี้ไม่ต้องกลับมาตายกันอีกต่อไปคือจะทำให้เราไม่กลับมาเกิดนั่นเองเพราะถ้าเราไม่เกิดแล้วเราก็ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายกันแต่ถ้าเรายังไม่ยุติการเกิดอยู่เราก็จะต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันอยู่เรื่อยๆเหตุนระการชีวิตของพระพุทธเจ้าก็คือการทําให้จิตใจของพวกเรานี้ไม่ต้องกลับมาเกิดกันอีกต่อไปน ไม่ไม่มีวันเกิดการที่จะไม่มีวันเกิดได้ก็ต้องชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะว่าสิ่งที่ทำให้ใจไม่สะอาดนี่แหละเป็นตัวที่พาให้เรามาเกิดกันตัวที่พาเรามาเกิดกันนี่ท่านเรียกว่ากิเลสทันหาเครื่องเศร้าหมองต่างๆที่มันเป็นเหมือนสิ่งข้าบสกปรกที่ติดอยู่ในเสื้อผ้าของเรา เสื้อผ้าของเรามันเวลามันสปกปรกมันก็ไม่น่าสวมใส่มันทรงกลิ่นเหม็นเราต้องเอาไปซักปไปล้างอยู่เรื่อยๆพอซักล้างเสร็จแล้วมันก็สะอาดคราบสกปรกก็หลุดออกไปใจของพวกเราก็เหมือนกันมีคราบสปกสปรกติดอยู่ในใจคราบสกปรกนี้ท่านเรียกว่ากิเลสตัณหาโมหะอวิชชาเป็นตัวที่พาให้เรากลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันอยู่เรื่อยๆ เพราะมันมีตัวความอยากเนี่ยความอยากหาความสุขจากโลกนี้อยากหาความสุขจากโลกกระทำคือลาบยศสรรเสริญและความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี่เอง เ, เราจึงต้องชาระความอยากเหล่านี้ให้หมดไปจากใจให้ได้น้นการที่เราจะชําระจิตใจของเราได้นี้เบื้องต้นเราต้องทําใจของเราให้เป็นใจที่ ที่มีความสุขจากการทำความดีก่อนเราจึงต้องมาทำบุญกันทำบุญทำความดีต่างๆาการทำบุญทำความดีต่างๆนี้มันจะลดกำลังของกิเลสอันหาความอยากที่จะไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในลถอยู่ในโลกนี้ให้น้อยลงได้ถ้าเราไม่ทำบุญทำความดีกัน เราหมื่แต่จะไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆความอยากของเรามันจะทวีคูณไปทวีคูณเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆมันจึงทำให้เรารู้ยากต่อการที่จะไปสู้มันได้เื <Yeah. S 2> ิองต้นพระพุทธเจ้าถึงสอนว่าให้เราลดความโรคความอยากต่างๆด้วยการมาทำอะไรเพื่อเป็นการเสียสละทำประโยชน์สุขให้กับผู้อื่นอย่าคิดทำประโยชน์สุขให้กับตัวเราเพียงอย่างเดียว พอยิ่งทำมันยิ่งโลภยิ่งอยากได้มากใหญ่ได้ล้านก็อยากจะได้สองล้านได้สองล้านก็อยากจะได้สามล้านมันจะไม่พอมันจะอยากได้ไปเรื่อยๆยั น, นเราต้อง <c oughs> มาใช้เหตุผลสอนตัวเราว่าชีวิตของเรานี้ต้องการเท่าไหร่ถึงจะอยู่ได้ถึงมันจะไม่เดือดร้อนถึงจะมีความสุขก็ <c oughs> มีแค่เพียงปัจจัยสีเท่านั้นเอง อย่างในหลวงรอง้าท่านเคยสอนพวกเราเศรษฐกิจพอเพียง น, ยนี่นี่แหละคือสิ่งที่เราควรจะมีก็คือเศรษฐกิจพอเพียงคือสิ่งที่จาเป็นต่อการดำรงชีพของเรามีอาหารมีเครื่องนุ่มหมมียารักษาโลกมทีที่อยู่อาศัยตามฐานะของเราก็พอแนละ้วไม่จาเป็นจะว่าจะต้องเป็นของหรูหราเป็นของมีราคาแพงเสมอไป มันทำหน้าที่เหมือนกันอ่ะอาหารมือม้อละห้าิบบาทมื้อละห้าร้อยมันก็อิ่มเหมือนกันดับความหิวได้เหมือนกันบ้านทั้สิบล้านกับบ้านที่เราเช่าอยู่เดือนละสองสามพันมันก็หลบแดดหลบฝนได้เหมือนกันเป็นที่หลับที่นอนได้เหมือนกันดังั้นเราอย่าไปหลงกับความหรูหรากับความสวยงามกับความยิ่งใหญ่ของปัจจัยสี่มันจะทําให้เรานี้โลค เราจะทำให้เหล่านี้ <c oughs> ไม่มีทางที่จะชำระความโลภให้หมดไปจากใจได้พระพุทธเจ้าจึงสอนชาวพุทธเราให้รู้จักคำว่ามากน้อยสันโดษต้องมีความมากน้อยสันโดษถึงจะทำให้เหล่านี้สู้กับความโลภความอยากต่างๆได้คือมากน้อยด้วยเหตุด้วยผลสันโดษด้วยเหตุด้วยผลคือเราต้องการเท่าไหร่เรามีความจำเป็นต้องมีเท่าไหร่ก็มีเท่านั้น อย่าไม่มีมากไปกว่านั้นไม่จาเป็นต้องมีบ้านสองสามหลังไม่ต้องมีเสื้อผ้าสองสามตู้เวลาเราใส่เสื้อผ้าเราก็ใส่แค่ที่เราชุดเท่านั้นเองดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้ามีชุดเดียวมีผ้าไตหนึ่งชุดเท่านั้นเองมีผ้านุ่งหนึ่งผืนมีผ้าห่มหนึ่งผืนแล้วก็มีผ้าห่มกันหนาวอีกหนึ่งผืนนี่คือผ้าไตของพระพุทธเจ้าท่านมีแค่นี้ พอเพียงสำหรับเป็นเครื่องนุ่งหมนะ่มจะมีเสื้อผ้ากี่ร้อยชุดแเวลาใส่ก็ใส่ได้ทีละชุดหนึ่งล่ะใช่มดงนั้ น, นะ ม, นมีมากไวทำไมมีแล้วเกะ ก, กะเปล่าบางทีมีแล้วไม่ได้ใส่เลยซื้อมาใส่หนเดียวสองหนก็เบื่อแล้วไม่อยากจะใส่แล้วแนะขวนทิ้งไว้เกะ ก, กะทำให้ต้องไปหาตู้มาเพิ่มอยู่เรื่อยๆนะ พราะความโลภความไม่มากน้อยเนี่ยมันทําให้เราเห็นอะไรสวยงามก็อยากได้ไปเดินตามร้านพอเห็นเสื้อผ้ า, าแข็งแกร่งอยู่ในร้านขึ้นมาก็โอ้ยเห็นว่าสวยว่างามอยากจะได้ขึ้นมาพอกลับมาใส่บ้านได้หนเดือนบางทีไม่เอานะไม่สวยชนะไออมันไม่ได้ที่เสื้อผ้าหรอมันอนชนตัวเรามากกว่าถ้าใส่แล้วไม่สวยก็แสดงว่าตัวเรานี่นแหละไม่สวยเอง ดังนั้นเราใช้เหตุผลดีกว่าเราจำเป็นจะต้องมีเสื้อผ้ากี่ชุดเอาก็ว่ามาชุดทำงานกี่ชุดว่าไปชุดไปงานกี่ชุดก็ว่าไปชุดอะไรกี่ชุดอาท่านั้นพอมีพอแล้วก็อย่าไปซื้อใหม่ถ้าจำเป็นถ้ามันขาดใช้ไม่ได้ต้องซื้อมาทดเชยทดแทนก็ซื้อไปถ้าเราทาแบบนี้แล้วมันจะทาให้เราเอาปราบความโลภได้ในระดับหนึ่ง ลดกำลังของความโลภได้ระดับนี่แล้วถ้าเราอยากจะลดลงมากไปกว่า น, นั้นก็คือถ้าเราหาเงินมาได้มากกว่าที่เราจำเป็นจะต้องใช้ต้องมีก็เอาไปทําบุญเสียเพราะการเอาเงินไปทําบุญนี้มันจะลดความอยากจะมีเงินมากขึ้นนั่นเองถ้าเรามีล้านถ้าเราไม่ทําบุญเดี๋ยวเราก็อยากจะได้สองล้านถ้าเรามีสองล้านเดี๋ยวเราอยากจะได้สามล้าน เราต้องตั้งเพดานของเงินไว้ว่าเราจะต้องมีเท่าไหร่เพื่อความปลอดภัยของชีวิตเราถ้าสมมติว่ามีล้านหนึ่ง <Yeah. S 2> ถ้ามีเกินล้านก็เอาไปทําบุญเสียอย่าเอาเก็บมาไว้ <Yeah. S 2> ตายไปก็เอาไปไม่ได้ <Yeah. S 2> เอาไปทําบุญดีกว่าจะได้ตัดความโลภี่อยากจะได้เพิ่มมากขึ้นจากล้านเป็นสองล้านจากสองล้านเป็น3มล้านเห็น <Yeah. S 2> ไหมไปดูสิคนมีหมื่นล้านถังว่าพอไหม <Yeah. S 2> เขาว่ายังอยากได้เพิ่มอีกเนี่ย yeah. เขาก็ยังลงทุนหาเงินต่อไปใช่ไหมมีโครงการใหม่ๆเขาก็ไปประมูลกันประมูลกันเป็นพันล้านหนึ่งล้านกันเลเพราะเขาไม่พอหรอกเพราะว่าเขาไม่ไม่มีการการกําหนดเพดานไม่มีการทําบุญทําทานอย่างจริงจังการทําบุญทําทานอย่างจริงจังตามหลักของศาสนานี่คือเราต้องห้ามความโลภของเราเราต้องมีของใช้เท่าที่จําเป็น ถ้ามากกว่านั้นอย่าเก็บเอาไว้เพราะมันจะเป็นตัวคอยกระตุ้นให้เราอยากได้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเราต้องกําหนดว่าเราต้องมีเงินไว้สําหรับดูแลเราเท่าไหร่ถ้าเรามีแค่นี้และถ้าถึงถึงถึงจํานวนที่เรากําหนดไว้แล้วถ้ามันมากไปกว่านั้นก็เอาไปทําบุญเถอดแล้วมันจะทําให้ใจเรามีความสุขจากการทําบุญทําทาน ยิ่งกว่าความสุขที่ได้เงินมาเพิ่มอีกร้อยล้านพันล้านความสุขที่ได้จากเงินทองมันดีเดียวเดียวดีใจเดียวเดียวตื่นเต้นเดียวเดียวเดี๋ยวมันก็หมดไปแล้วความอยากได้เพิ่มก็กลับมาใหม่อีกแต่การเอาเงินเราไปทาบุญเงินที่เราคิดว่ามากกว่าที่เราจำเป็นจะต้องใช้เนี่ยเอาไปทาบุญเสียเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกเอิบใจสุขใจสบายใจมีความภูมิใจ มีความสุขที่เห็นคนอื่นเขาได้รับประโยชน์จากการเสียสละของเรา <Yeah. S 2> มันจะทำให้ความโลภอยากได้เงินทองนี้น้อยลงไปท <Yeah. S 2> ุกครั้งอยากจะได้เพิ่มมากกว่าที่เราคิดว่าเราจำเป็นจะต้องมี <Yeah. S 2> ก็จะไม่ไม่พิดินไปหามันให้เสียเวลา <Yeah. S 2> ถ้าไปหามาได้ก็ไม่เก็บเอาไว้ uh huh. เอาไปช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป yeah. การการทำบุญจึงเป็นสิ่งจำเป็นสาหรับผู้ที่จะต้องการไปชาระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ไปกำจัดความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจให้ได้ต้องทําบุญให้ได้ก่อนแล้วก็ไม่ใช่ทําทบุญแบบเอ่อหอมปากหอมคอมีร้อยล้านพันล้านทําแค่สองพันบาทนี้มันนีเ้เรียกว่าทำบุญแบบทําตามธรรมเนียมทําเป็นประเพณีทําพิธีมันต้องทําแบบสะเทือนใจเราเนี่ยมีมีมีหมือนหนึ่งทําสักห้าพันเนี่ยมันถึงจะรู้สึกโอ้หมดไปครึ่งหนึ่งเลย มันจะรู้สึกสเทือนใจเนี่ถ้ามีล้านนึ่งทำแค่พันเดียวมันรู้สึกไม่สะเทือนใจมันเหมือนกับไม่ไม่ได้ทําน่ยมันไม่มีความรู้สึกอะไรเลยอย่างั้นเราต้องทําให้มากเพราะว่าการชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ในที่สุดเราจะต้องทิ้งให้หมดเลยเงินทองถึงจะไปชําระให้สะอาดบริสุทธิ์ได้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันก็ยังจะโลภอยู่กับเรื่องเงินทองอยู่ดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างใชไหม พท่านตัดสินใจว่าต้องไปชำระจิตใจให้สะอาดโดยสุดต้องกำจัดความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปนี้ก็เลยส ล, ลาราชสมบัติเลยนะไปบวชเลยนั่นแหละนั่นแหละเป็นการทำบุญขั้นสุดท้ายขั้นยิ่งใหญ่ของผู้ที่ต้องการที่จะไปซื้อประกันชีวิตผู้ที่ต้องการที่จะทำลายการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกตอ่อไปนี้ต้องทำบุญขั้นสูงสุดน คือต้องสละทรัพสมบัติที่ตนเองมีอยู่ไปให้หมดเลยเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมากังวลไม่ต้องมาห่วงใยกับเรื่องเงินทองอีกต่อไปถ้ามีเงินทองก็ยังห่วงอยู่ยังห่วงอยู่หรือโลก <c oughs> ยังอยากจะได้ขึ้นไปหรืออยากจะรักษาให้มันอยู่ไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นอุปสรรคในการที่จะไปกำจัดความโลภต่างๆให้หมดไปจากใจได้ เป็นผู้ที่ต้องการที่จะซื้อประกันชีวิตอย่างจริงๆเนี่ยอย่างจริงจังนี่เขาจะสละสมบัติทั้งนั้นน่สมัยพระพุทธการเศรษฐีก็สละสมบัติเนี่ยใครมีเงินทองมากน้อยเท่าไหร่ก็สละไปหมดยกให้ผู้อื่นไปแม้ในสมัยปัจจุบันนี่ประวัติของกูบาอาจารย์บางลูกท่านเป็นเศรษฐีท่านก็สละทรัพย์สมบัติให้ผู้อื่นไปหมดเพื่อท่านจะได้ไปบวชได้ แล้วพอท่านไม่มีความกังวลกับเรื่องทรัพย์สมบัติแล้วการปฏิบัติของท่านก็ไปได้อย่างง่ายดายนะเพราะไม่ต้องมาคอยดูแลไม่ต้องห อ, อยมาจัดการทรัพย์สินอยู่เรื่อ ย, เ, อยนะเพราะเวลาออกมาจัดการกัทรัพย์สินก็นะต้องมาสัมผัสรับรู้กับเรื่องราบยศสรรเสริญสุขแล้วเดี๋ยวความโลภความอยากมันก็ยังจะกลับม า, า ย, ย, ย, ยุยงให้จิตใจอยากจะกลับไปหาราบยศสรรเสริญสุขได้ใหม่ ยันถ้าไม่ต้องกลับมายุ่งเกี่ยวกับทางโลกได้เลยนี่จะดีที่สุดตัดไปเลยทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ครอบครัวแม้แต่บุคคลก็ต้องตัดไปไม่ฉะนั้นเราพอเห็นครอบครัวเห็นญาติพี่น้องเห็นทรัพย์สมบัติแล้วก็จะเกิดความอยากกลับขึ้นมาได้หรือเวลาจะ ท, ทาธุระเสร็จเวลาจะกลับไปปฏิบัติใจก็ยังยั ง, ย, งยังคิดถึงมันอยู่ กว่าจะทำใจให้สงบได้ก็เสียเวลาไปหลายวันด้วยกันดังนั้นผู้ที่ต้องการที่จะซื้อประกันชีวิตอย่างร้อยเอร์เซ็นี้อยากจะให้มันสำเร็จภายในภพนี้ชาตินี้มันจำเป็นจะต้องสร้างบุญสร้างกุศลอย่างสูงสุดก็คือมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเท่าไหร่ก็สละไปให้หมดยกเว้นผู้ที่ไปบวชไม่ได้แต่ยังต้องการซื้อ ประการชีวิตอยู่ด้วยการชำระจิตใจด้วยการอยู่ตามลาพังของตอนเองนี้ก็อาจจะต้องมีเงินทองไว้สาหรับเลี้ยงดูสำหรับค่าใช้ใจ่ายในเรื่องปัจจัยสี่ถ้ามีเงินทองใช้ใจ่ายแบบนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะเราไม่ได้หวังที่จะอาศัยมันมากไปกว่าวการเลี้ยงดูร่างกายเพื่อให้ร่างกายเราสามารถอยู่ได้เพื่อปฏิบัติธรรมได้เพื่อที่จะได้ชาระ ความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้สําหรับบุคคลเหล่านี้เช่นสุภาพจิตีบางทีไปบวชนี่ไม่มีวัดรองรับวัดอาจจะไม่มีการรองรับเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆก็อาจจะต้องมีทรัพย์สินบ้างมีเงินทองบ้างไว้ไว้เลี้ยงดูตนเองแต่ถ้าไปอยู่บางวัดวัดที่เขามีครูบาอาจารย์มีผู้ที่สนับสนุนมากก็ไม่ต้องกังวลก็มี อยู่ได้อย่างสบายมีมีพระสองฆ์องค์เจ้าคอยช่วยดูแลอยู่ น, นี่คือเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลในเบื้องต้นเมื่อเรายังไม่สามารถทำแบบเต็มที่ได้เราก็ทำไปตามกำลังของเราก่อนตอนนี้เราทำได้เท่าไหร่ร้อยละสิบก็ทำไปก่อนเงินเดือนเช่นเราได้เดือนละหมื่นแบ่งมาร้อยละสิบเดือนหนึงทำเดือนละพน แล้วต่อไปก็อาจจะเพิ่มเป็นเดือนละสองพันร้อยละยี่สิบ้อยละสามสิบเพราะยิ่งทำแล้วมันยิ่งมีความอิ่มใจสุขใจแล้วความโลภอยากจะใช้เงินทองไปซื้อของอย่างอื่นก็จะน้อยลงไปเองแล้วเราจะเห็นว่าเงินทองที่เราคิดว่าจำเป็นมันกลับไม่จำเป็นแล้วที่จะต้องมีเพราะเราไม่ต้องไปซื้อสิ่งต่างๆมาเหมือนตอนที่เราไม่ได้ทาบุญเพราะเวลาเราไม่ได้ทาบุญนิใจเราจะหิว หิวกับสิ่งต่างๆแต่พอเราได้ทําบุญแล้วความหิวกับหายไปเคยอยากไปเที่ยวก็หายไปเคยอยากไปซื้อของฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆก็จะหายไปทําให้เกิดมีความมีความไม่จําเป็นที่จะต้องใช้เงินทองมากมายก็จะสามารถทำบุญบุญได้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วต่อไปก็จะได้มีเมื่อไม่มีความหิวมีความอยากไปเที่ยว ก็จะได้ไปลองชำระจิตใจด้วยการไปถือศีลแปดไปอยู่วัดได้ไปหัดถือศีลแปดกันอยู่ข้างละสามวันบ้างห้าวันบ้างเจ็ดวันบ้างเนี่ยการไปอยู่วัดนี่ไปถือศีลแปนี่ก็เพื่อไปชำระใจให้สะอาดนี่เองชำระความโลภความโกรธความหลงหรือชำระความอยากสามประการคือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเรียกว่าการมตัญหาความอยากมีอยากเป็น เรียกว่าภาวะตันหาละความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเรียกว่าวิภาวะตันหาเราไปฝึกชำระความอยากเหล่านี้กันด้วยการไปอยู่วัดไปถือศีลแปดกันนะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เราไปอยู่วัดไม่ได้เพราะเราติดเที่ยวกันเพราะแต่พอเราเริกเอาเงินที่ไปเที่ยวนี้มาทําบุญความติดเที่ยวมันก็จะหายไปทําให้เรารู้สึกว่าไม่เที่ยวเราก็ไม่เดือดร้อน เวลาเราเอาเงินไปทําบุญเรากับมีความสุขกว่าเอาเงินไปเที่ยว <Yeah. S 1> นั่นแหละมันเป็นสะพานมันเป็นขั้นบันไดการทําบุญทํากุศลนี้จะทําให้เราสามารถที่จะไปอยู่เฉยๆได้อยู่บ้านเฉยๆได้หรือไปอยู่วัดได้ไปอยู่ที่ไม่มีการไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ไปอยู่วัดเราก็จะได้เรียนรู้วิธีที่จะมากําจัดเอ่อ uh. กิเลสตัณหาให้มันหมดไปจากใจเราก็จะรู้ว่าต้องทําการภาวนาการภาวนานี้คือการชําระจิตใจซึ่งแบ่งเป็นสองตอนด้วยกันตอนแรกเรียกว่าสมถภาวนาคือการทําใจให้สงบอันนี้เป็นการชาําระความกิเลสตัณหาแบบชั่วคราวยังไม่ไม่ถาวรแล้วก็วิปัสสนาภาวนาเป็นขั้นที่สอง เป็นการชำระกิเลสทันหาให้หมดไปจากใจแบบถาวร <Yeah. S 1> เราก็จะเรียนรู้วิธีทำยังไงถึงจะทาใจให้เป็นสมถะภาวนา <Yeah. S 1> ทำอย่างไร <Yeah. S 1> สมถะภาวนาคือทำใจให้นิ่งให้สงบให้เป็นสมาธิ <Yeah. S 1> วิธีจะทำใจให้นิ่งให้สงบให้เป็นสมาธิ <Yeah. S 1> ก็ต้องมีสติคอยควบคุมความคิดค <Yeah. S 1> อยหยุดความคิดเพราะถ้ามีความคิดอยู่ใจก็จะสงบไม่ได้ yeah. เหมือนรถนี่ถ้ามันยังวิ่งอยู่มันก็จะจอดไม่ได้จะให้รถจอดก็ต้องมีเบรกเหยียบเบรกลงไปเหยียบไปเรื่อยๆเดี๋ยวรถมันก็จะจอดเองถ้ารถไม่มีเบรกมันก็จะวิ่งไปเรื่อยๆฉันใดความคิดของวกเรานี่ก็ถ้าไม่มีสติคอยหยุดมันมันก็จะไม่หยุดมันก็จะคิดไปเรื่อยๆค่อยสังเกตนาะว่าตั้งแต่เราเกิดมาเราไม่เคยหยุดความคิดของเราเลยพอตื่นขึ้นมาลืมตาเราก็คิดลว คิดมาจนถึงบัดนี้เดี๋ยวว่าคิดต่อไปคิดไปจะถึงเวลาหลับนะแล้วหลังจากที่หลับก็ยังคิดต่อด้วย ค, คิดในรูปแบบของความฝันนี่ความฝันนี่ก็คือความคิดของเรานี่แหละจิตน่างกายเราพักผ่อนแต่จิตเรากลับไม่ได้พักผ่อนจิตใจเราก็ยังคิดต่อไปเพราะมีกิเลสตัณหาความโลภความอยากมันคอยผลักดันให้คิดอยู่เรื่อยๆ น, นั่นเองเราจึงต้องใช้สติ คอควบคุมคอยหยุดความคิดสตินี้มันเป็นเหมือนเบรกรถยนต์แต่เราเหยียบเบรกรถยนต์มันก็ต้องหยุดันใดถ้าเราจเจริญสติความคิดมันก็ต้องหยุดวิธีจเจริญสติก็ให้เราเลิกถึงอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอย่างต่อเนื่องเช่นเราเลิกถึงพระพุทธเจ้าก็ให้บริกรรมพุทโธพุทโธไปภายในใจ หรือจะจะเลิกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็พุโทโธธรรมโมสังโฆไปภายในใจหรือจะเอาแบบพิสดารก็สวบดบทอิทธิปิโสไปก็ได้อิทธิปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุโทโธสวดไปเรื่อยๆสวดไปหลายๆรอบแล้วความคิดที่จะไปเที่ยวที่นู่นไปทำให้นู่นทำไห้นี่มันจะคิดไม่ได้เพราะเราจะคิดสองอย่างไปด้วยกันไม่ได้เวลาเราทำงานเราก็ต้องคิดอยู่กับเรื่องงาน เราจะไปคิดถึงเรื่องเที่ยวไม่ได้ <c oughs> ถ้าคิดถึงเรื่องเที่ยวเดี๋ยวงานก็เสียฉันใดเวลาเรียนหนังสือเราก็คิดอยู่กับเรื่องเรียนอย่างเดียวเวลาอยู่ในห้องเรียนก็ต้องฟังครูก็ต้องคิดแต่เรื่องที่ครูสอนอยู่ถ้าไปคิดถึงเรื่องอื่นเดี๋ยวก็สอบตกตอนเรียนไม่รู้เรื่องด <c oughs> ังนั้นเราต้องมีสติคอยกากับความคิดของเราให้เราใช้พุโทโธนี่ง่ายที่สุด อพุทโทนี้เราสามารถใช้ได้ตลอดเวลาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเนี่ยเราเริ่มใช้พุโทโธได้เลยแล้วเราต้องการที่จะห้ามความคิดต่างๆถ้าจะคิดก็ปล่อยให้มันคิดเรื่องที่จําเป็นเช่นวันนี้วันอะไรต้องไปทําอะไรบ้างมีธุระอะไรกับใครอพอรู้แล้วก็หยุดคิดแล้วก็ไปเตรียมตัวตเวลาเตรียมตัวก็ไม่ต้องคิดอะไรพุโทโธพุโทโธไปอาบน้ําพุโทโธไปล้างหน้าแปรงฟันพุโทโธไปแต่งเนื้อแต่งตัวพุโทโธไป รับประทานอาหารพุโทโธไปถ้าทำอย่างนี้เราจะมีสติใจจะไม่คิดเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วพอเราต้องการจะทำใจให้นิ่งให้สงบเราก็ต้องมานั่งหลับตานั่งหลับตาถ้านั่งขัดสมาดได้ก็ขัดสมา ถ, ถ้าไม่ได้ก็นั่งห้อยเท้านั่งเก้าอี้ก็ได้ไม่เป็นปัญหาอะไรนั่งหลับตาแล้วก็ท่องพุโทโธพุโทโธไปหรือจะเปลี่ยนมาดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ดูลมหายใจเข้ า, ออกก ห, า, ขาหายใจออก อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ไม่ต้องพุโทโธก็ได้ถ้าเราไม่อยากจะพุทโทรเราอยากจะดูลมเฉยๆก็ดูลมที่ปลายจมูกดูว่าตอนนี้ลมกำลังเข้าลมกำลังออกให้รู้ว่ามันเข้าหรือ ม, มันออกอย่างเดียวไม่ต้องไปรู้อะไรไม่ต้องไปตามเข้าตามออกให้รู้อยู่ที่ปลายจมูกจุดเดียวจิตถึงจะนิ่งได้ถึงจะสงบได้ถ้าตามเข้าตามออกหรือไปบังคับให้มันหายใจแรงหายใจ เบานี่มันก็จะทำให้ใจไม่สงบใจยังต้องทำงานอยู่ใจต้องไม่ทำอะไรเพียงแต่รู้เฉยๆรู้ลมเฉยๆถ้ารู้ลมมันก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ ไ, มได้ถ้าไปคิดก็แสดงว่าไม่ได้ไม่ได้รู้ลมแล้วต้องกลับมารู้ลมทันทีพอเผลอไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ก็บอกอา้าวไม่ได้ดูลมแล้วนี่วอกลับมาดูลมใหม่ต้องพยายามดูลมไปเรื่อยๆแล้ว เ, เดี๋ยวไม่นานจิตนั้นก็จะนิ่งสงบเอง พอสงบแล้วก็วเรียกว่าสมาธิสมาธิจะทำอะไรให้เรารู้สึกมีความสุขเบา อ, อกเบาใจตอนที่จิตสงบนี้ความคิดหายไปเหลือแต่ความว่างในจิตเหลือแต่ผู้รู้สักแต่วรู้อยู่ตามลำพังอันนี้แหละเรียกว่าสมาธิแล้วก็ความสุขที่เหนือกับความสุขทั้งปวงที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านัตถิสันติเปรรังสุขขังสุขเอือนที่เหนือกวความสงบไม่มี ใครได้ได้สัมผัสกับความสงบแบบนี้เพียงครั้งเดียวแล้วจะติดใจจะไม่อยากจะได้ความสุขแบบเก่าแนละ้วจะไม่อยากจะไปหาความสุขจากแฟนจากเพื่อนจากคนนั้นคนนี้จากสิ่งนั้นสิ่งนี้อีกแนละ้วอยากจะหาความสุขจากความสงบต่อไปก็จะทําสมาธิเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นแล้วความโลภความอยากต่างๆก็จะเบาลงเบาลงแต่ยังไม่หมดเพราะเวลาออกจากสมาธิมาพอเริ่มคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ ความโลภความอยากก็เกิดขึ้นมาได้มีวิธีที่จะกำจัดความโลภความอยากให้มันหมดไปก็ต้องกำจัดตอนที่ออกมาจากสมาธิพอมันโลภอยากได้อะไรก็ใช้ปัญญาสอนใจว่าสิ่งที่เราโลภเราอยากได้นี้มันเป็นตายรักมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเสียไปหมดไปพอมันหมดไปมันก็ทาให้เราทุกข์ใจร้องห่มร้องไห้กัน ถ้าไม่อยากจะร้องโหมร้องไห้เศร้าโศกเสียใจก็อย่าไปเอามันอย่าไปอยากได้มันพอเห็นโทษของสิ่งที่เราอยากได้ว่ามันจะทำให้เราทุกข์ต่อไปเราก็จะหยุดความอยากต่างๆได้เออไปความอยากในใจของเราก็หมดไปพอหมดเราก็เรียกว่าใจบริสุทธิ์ขึ้นมาเหมือนเสื้อผ้าที่ซักที่สะอาดแล้วเราก็เรียกว่าผ้าที่สะอาดใจที่ได้ชำระด้วยสมถะและวิปัสสนาภาวนาก็จะสะอาดบริสุทธิ์ เป็นใจที่ไม่มีความโลภความอยากความหลงไม่มีกิเลสตัณหาโมหะเอวิชาหนงเหลืออยู่ในใจต่อไปใจแบบนี้ท่านเรียกว่านิพานเนี่นบาลังบาลมังสุขขังเนี่ยเป็นใจที่มีบัลมะสุขเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงและเป็นความสุขที่ถาวรด้วยไม่ใช่แบบชั่วคราวสุขตั้งแต่ตลอดยี่บสี่ชั่วโมงไม่มีวันช่วงไหนที่ไม่สุขเลยสุขตลอดเวลา ไม่มีช่วงไหนที่จะมีความทุกข์เข้ามาในใจนี้ได้อีกต่อไปถึงแม้ร่างกายจะแก่ร่างกายจะเจ็บร่างกายจะตายความทุกข์เหล่านั้นไม่สามารถเข้ามาในใจของใจที่เป็นนิพพานนี้ได้แล้วเลยนี่แหล ะ, ละคือการซื้อประกันชีวิตเพราะว่าใจที่มีความสุขเต็มร้อย น, นี้แล้วจะไม่มีความอยากที่จะกลับมาเกิดอีกต่อไปเพราะไม่มีความอยากที่จะมาหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกินรสต่างๆนั่นเอง เมื่อไม่มีความอยากก็เลยไม่มีมีเหตุที่จะพาให้มาเกิดกันเมื่อไม่เกิดก็จะไม่มีการตายกันกต่อไป น, นี่คือการซื้อประกันชีวิตป้องกันการที่จะต้องกลับมาตายกันอยู่เรื่อยๆถ้ายังไม่ซื้อประกันชีวิตยังไม่ได้ปฏิบัติสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนายังไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมเนี่ยเดี๋ยวพอร่างกายนี้ตายไปความอยากที่จะ หาความสุขจากร่างกายมันก็จะดึงให้เรากลับมามีร่างกายอันใหม่แล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายกับร่างกายอันใหม่ต่อไปอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าเราจะสามารถซื้อประกันชีวิตนี้ได้และจ่ายเบี้ยรประกันได้อย่างสมบูรณ์พอจ่ายเบี้ยรประกันได้อย่างสมบูรณ์ทาจิตใจของเราให้สะอาดบริสบบุทธิ์แล้วเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไป นี่คือประโยชน์สองชนิดที่เราจะได้รับจากพระพุทธศาสนาคือประโยชน์แรกก็คือเราจะได้ซื้อประกันภัยคือใจของเราจะได้ไม่ต้องกลับไปเกิดในอบายต่อไปถึงแม้ถ้าเรายังต้องกลับมาเกิดแล้วจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยจากเทวดาเราก็จะกลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์กันจากพรหมเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์กันจากพระรยะเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์กันจนกว่าเราจะไปถึงนิพพาน เมื่อเราได้ซื้อประกันชีวิตและจ่ายเบี้ยประกันชีวิตได้อย่างสมบูรณ์เราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดในตายพบอีกต่อไปความทุกข์ทั้งหลายที่เคยได้จากการเกิดแก่เจ็บตายก็จะสิ้นสุดลงนี่คือสิ่งที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวหาปุราภิริปุเรนติสากหลังเอวเมวอิโตทิน e ังเปตานังอุปการปติ อิชิตังปะทิทังตุมหังคิดปะเมวะสมิจฉาตุสัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธาณมณิโชติระโสย t าสัพพิติโยวิวัจจานโตสัพพโรโขวินัสตุมาเตภวะตวันตรายอสุขีธีขาโยโภวะ อาพิวาทานสีลิสานิจังวุธาปจายิโนะจัตตารุธรรมาวะทานเตอายุวานโสอสุขังภาลางพาพลำดับต่อไปเป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามเชิญถามได้ในช่วงนี้ จะถามเองก็ได้หรือจะเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่วันนี้ทาง Facebook 464 YouTube 239วิทยุออนไลน์13 Zoom 6ผู้รับฟังหน้ากุฏิ127รวมทั้งสิ้น849ท่านคะ่ะ ธมศาส ก, การ์าก็คำถามปัก ถ, ถามมาเจา้าค่ะหรือว่าเขาถามมาว่าทําบุญจะได้บุญแต่เขาบีสมบัติถ้าเขาให้ลูกหลานเนี่ยเขาจะได้บีไม้เท่าไหร่ได้แต่ได้ไม่เท่ากับให้คนอื่นอแต่ต้องให้ก่อนตายนะถ้าให้หลังตายนี่ก็ไม่ได้บุญเหมือนกันเช่นเขียนพินัยกรรมไว้ว่าจะให้คนนั้นคนนี้แสดงว่าตามเป็นยังไม่ยอมให้ยั้นตอนตายเหมืนถูกบังคับให้ให้ ก็ยังไม่ได้บุญเหมือนบอริจา克ร่างกายให้ตอนที่ตายแล้วก็ไม่ได้และให้ตอนที่ยังไม่ตายได้เช่นบริจาคายให้ใครไปทักอันอย่างเนี้เพราะเราจะรู้สึกตัวไงรู้สึกว่าเราได้เสียสละอะไรไปบริจาคเลือดอย่นี้เราจะได้เรามีความรู้สึกว่าเราได้เสียสละอวัยวะของเราให้กับคนอื่นไปมันก็ทําให้เราเกิดความอิ่มใจสุขใจขึ้นมาแต่เวลาตายไปถึงแม้เราเขียนเป็นนายกรรว่ายกร่างกายให้คนอื่นไปทั้งหมด เราไม่รู้ว่าให้หรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วตอนนั้นเราไม่รับร so ู้แล้วยั่งถ้าอยากจะให้อะไรอยากจะได้บุญต้องให้ตอนที่เรามีชีวิตอยู่เจ้าค่ะคือให้กับคนที่เรารักมันง่ายกว่าให้กับคนที่เราไม่รักอ๋อใค่ะให้กับคนที่เรารักมันมันยังมีความโลภมันมันยังมีความรักความห่วงอยู่ให้กับคนที่เราไม่ให้มันไปเราไม่ชอบนี่มันไปกําจัดความโกรธในคนนั้น ที่เราไปโกรธเขาเออเห็นให้คนที่เราไม่รู้จักนี่จะได้บุญกว่าให้กับคนที่เรารู้จักสมายถึงคนที่เป็นญาติของเราใช<ะ>่แต่ก็ได้บุญเหมือนกันถ้าเขาเดือดร้อนเช่นพี่น้องคน เ, เดือดร้อนก็ช่วยกันเหลือกันไปก็ได้บุญช<ะ>เช้ค่ะพระพุทธเจ้าสอนในมงคลนสูตรให้ให้สงเคราะห์ญาติทั้งหลายเออแล้วก็ให้ดูแลบิดามารดาปู่ย่าตายาย ก็ได้บุญเหมือนกันเออค่ะแต่การทำบุญมันก็มีความรู้สึกต่างกันอย่างนั้นก็ได้สรุปว่าได้ดีกว่าแล้วดูที่ใจของเราก็แล้วกันว่าเวลาเราทำแล้วบุญอย่างไหนเรามีความรู้สึกอิ่มใจกว่าสุขใจกว่าก็แล้วกันเจค่ะถูกแต่ต้องให้ตอนที่เป็นอยู่นะเออาค่ะถ้ากลัวให้ขาหมดแล้วก็ไม่เลี้ยงดูเราก็อย่าเพิ่งให้เขียนพิธกรรมไว้ก็แล้วกัน คำถามค่ะคำถามจากคุณไอซ์เบอรี่ค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะว่าทำไมหลวงปู Holland, ่ม well, er, ั่นท่านถึงสอนว่าอย่าทิ้งคําบริกรรมพุทโธและประโยชน์ของการบริกรรมพุทโธนี่คืออะไรคะก็ทําให้ใจเรานิ่งสงบไงหยุดความคิดได้พอใจเรานิ่งเราสงบเราก็เกิดความสุขใจสบายใจทําให้เราไม่ต้องไปกินขนมนมเนยไม่ต้องไปดื่มกาแฟไม่ต้องไปดูหนังฟังเพลง อยู่เฉยๆก็มีความสุขไม่ดีกว่าเลยไม่ต้องเสียเงินเสียทองไม่ต้องไปแต่งเนื้อแต่งตัวออกไปนอกบ้านให้เนหเนื่อยให้เหนื่อยแล้วความสุขที่ได้อยากนอกบ้านกลับมาก็หายไปหมดและ้ะพออยู่บ้านเดียวเรื่องเหงาอีกละเบื่ออีกแล้วแต่ถ้าเราพุโทโธพุโทโธของเราไปเรื่อยๆจนใจเราหยุดคิดหยุดอยากแล้วทีนี้ใจเราก็เย็นสบายอยู่ที่ไหนก็มีความสุขไม่ต้องมีอะไรมาให้เรามีความสุขเป็นพยายามฝึกพุโทโธไว้เถิด ท่องไปเนี่ยอย่างที่สอนวันนี้ให้ท่องพุโทโธนั้นแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพุโทโธพุทโธไปเหมือนเราล่องเพลงอะอาบน้ํำเราก็ล่องเพลงกันไปใช่ไหมอ่างฟันเราก็ล่องเพลงแทนที่จะล่องเพลงเราก็ล่องพุทโทพุทโธพุทธโ ท, โทไปแล้วมันก็จะไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้คําถามต่อไปจากทางอินบ็อกซ์คุณสุพันค่ะขอกราบเรียนถามค่ะ คือดิฉันไม่นั่งสามารถไม่สามารถที่จะนั่งสมาธิที่บ้านได้เพราะสามีเห็นเมื่อไหร่ก็จะต่อว่าเอาทุกวันทุกวันนี้ก็มีจิตมีจิตที่มีสิ่งอื่นมากระทบจิตของดิฉันตลอดพยายามสกัดออกโดยฟังธรรมค่ะแต่ยังมีบ่วงอยู่คือลูกเข้าใจว่า ลูกที่ยังเข้าใจในตัวแต่ตัวสามีนี้ดิฉันไม่เข้าใจข้าพเจ้ายังมีเวรกับสามีคนนี้อยู่หรือเปล่าค่ะบอกให้นั่งสมาธิก็ไม่ชอบอ้างว่าเมื่อยเป็นคนมีจิตใจขี้โกรธใจร้อนคิดตะนีขัดขวางการทำบุญของดิฉันหลายครั้งอยู่ถือว่าดิฉันยังมีกรมก ร, รมอยู่ใช่ไหมเจ้าคะจะนั่งสมาธิเขาก็แอบเลยต้องนอนทําสมาธิเพื่อให้มีสติบ้างเจ้าคะ่ะขอพระอาจารย์เมตตา แนะนำค่ะออช่วงที่เรานั่งไม่ได้เราก็เจริญสติไปในใจเราได้เนี่ยพุโทโธพุโทโธไปทำอะไรเราก็ท่องพุโทโธพุโทโธไปภายในใจเขาไม่รู้ว่าเรากำลังภาวนาเขาไม่รู้ว่าเรากำลังเจริญสติแล้วเวลาจะนั่งสมาธิก็หาเวลาที่ไม่มีใครเข้ามารบกวนเราเราก็ไปนั่งสมาธิคือมันมันต่างกันถ้าเจริญสติมันทาให้ใจว่างใจเบาใจเย็นแต่ยังไม่ใจยังไม่นิ่ง ยังไม่ได้ความสุขเต็มร้อยอาจจะได้ประมาณ50อร์ซแต่พอเราอยากจะให้มันได้ร้อเอร์เซ็นาก็ต้องนั่งเฉยๆแล้วก็พุโทโธต่อไปจนจิตมันนิ่งมันตกหลุมตกบอ่อลงไปแล้วมันก็จะสบายเบา อ, อกเบาใจแต่ก่อนที่เราจะนั่งสมาธิได้เราก็ต้องฝึกสติก่อนองนั้นเราพยายามพุโทโธพุโทโธไปในช่วงที่เราทําอะไรเจอใครไม่เจอใครแล้วก็พุโทโธพุโทโธไป อย่าไปคิดถึงเขาอย่าไปว่าเขาไปตำหนิเขาหรือไปกังวลอะไรกับใครพุโทโธพุโทโธไปใจจะว่างจะเย็นจะสบายอยู่กับใครก็รู้สึกไม่เดือดร้อนเขาจะดีจะชั่วก็เรื่องของเขา <Yeah. S 1> ใจเราไม่ไปเอาเอาเขามาเข้ามาในใจแล้วใจเราจะไม่หนักอกหนักใจที่เราหนักอกหนักใจเพราะเราพอเห็นเขาเราก็คิดถึงเรื่องไม่ดีต่างๆของเขา เราคิดเรื่องไม่ดีใจเราก็ไม่สบายใจขึ้นมาเอเห็นต่อไปเวลาเจอใครก็พุดโทพูดโทไปปากก็ยิ้มให้เขาไปแต่ในใจก็พุดโธพูดโธไปเพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหาใครเอพราะใจเราจะได้เยน็นจะได้สบายแล้วถ้าเขาไม่อยากให้เรานั่งก็รอเวลาก็หลับหรือเวลาที่เขาไม่อยู่เราค่อยนั่งก็ได้เราไม่ได้อยู่เขาตลอดยี่บสี่ชั่วโมงนี่ใช่ไมเราก็ห mm hmm. าเวลาที่เขาไม่อยู่เราก็นั่งเวลานั้นอื คำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะการละกิเลสละการละกิเลสละเอียดภายในจิตใจทําได้อย่างไรเจ้าคะก็ต้องละอย่างยากก่อนเนี่ยคือต้องมันต้องละตั้งแต่ขั้นทานไปก่อนกิเลสยาบของขั้นทานก็คือความโลภอยากได้มากๆความตะหนีได้แล้วก็หวงเอก็ต้องใช้ทานละมันไปก่อนทําทานไปหวงเลหวงอะไร่ ยกให้คนอื่นไปเลยหวงหมื่นหนึ่งแล้วเอาไปเลยทําบุญหมื่นหนึ่งเลยะดัดสันดานมันต่อไปมันจะได้ไม่หวงแล้วโรบอยากได้ได้โรบได้แสนหนึ่งได้แสนมาก็เอาไปทําบุญให้หมดเลยเออย่างนี้ต่อไปมันก็จะได้ตัดความโลภตัดความตนมได้แล้วก็ความโกรธก็เกิดจากก็จะทาให้เราไปทําบาปรักษาศีลโกรธใครก็อย่าไปด่าใครอย่าไปทําร้ายใคร เมื่อพวกนี้กิเลสหยาบๆขั้นทานขั้นศีนนลก็ถึงจะไปขั้นภาวนาถึงจะไปเจอพวกกิเลสที่มันละเอียดเข้าไปตามลำดับคะำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะที่บริษัทแบ่งเป็นสองฝ่ายฝ่ายมาฝ่ายมาได้ดิบได้ดีฝ่ายเทพโดนรังแกคนตั้งใจทำงานไม่มีแรงบันดาลใจในการทำงานกลัวแต่จะโดนจับผิดในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรในสังคมการทางานแบบนี้คะ ก็ต้องเข้าใจว่าการได้ไม่ใช่ได้อย่างเดียวทุกอย่างมันเป็นเหรียญสองด้านมีทั้งได้มีทั้งเสียมีทั้งเสียมีทั้งได้พวกที่พวกปานเขาได้ดิบได้ดีในโลกนี้ในชานี้เวลาตายไปเขาก็ได้ได้อาบายไปเป็นรางวัลส่วนพวกที่เป็นเทพพวกที่เป็นคนดีก็ไม่ได้ดิบได้ดีแต่ตายไปได้ไปเป็นเทพเราก็ต้องมองสองแง่สองมุม ชีวิตมันไม่ใช่มีแค่มุมเดียวเอเมื่อกี้โยมคนนึงใสเสื้อมาบอกว่าให้แล้วให้เล้วก็เท่ากับได้เ อ, อ, อเวลาให้เราก็ได้เราได้อะไรเราได้บุญเราให้เงินทองไปแต่เราได้บุญกลับมาออันไหนดีกว่ากันเพราะว่าอนาคตเราต้องไปอยู่ที่เราไม่ใช้เงินไม่ได้เราจะทําไงอนาคตเราต้องอาศัยบุญเป็ น, เ, ปนเงินแทนเนี้ เห็เราต้องคิดถึงอนาคตของเราอย่าคิดแต่ชาตินี้ปัจจุบันนี้เท่านั้นเองเราต้องคิดถึงพบหน้าหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วเราจะมีอะไรไปกับเราบ้างเห็น <Yeah. S 1> ถ้าเรารักษาสัตว์รักษาศีลเป็นคนดี <Yeah. S 1> เราไม่ได้ดิบได้ดีแต่เราได้บุญได้กุศลไป <Yeah. S 1> แต่ถ้าเขาได้ดิบได้ดีด้วยการทํำบาป <Yeah. S 1> ทากรรมเขาตายไป <Yeah. S 1> เขาก็ได้อบายไปเน่ย yeah. <Yeah. S 1> ต้องมองถึงอนาคต ปัจจุบันเดี๋ยวมันก็หมดใช่ไหมเงินท่นื้อหามาได้เท่าไหร่เดี๋ยวมันก็หมดพอหมดแล้วทีนี้ก็ต้องมาอาศัยบุญนะอาศัยบาปที่ทนะําไว้แล้วเป็นตัวหล่อเลี้ยงจิตใจต่อไปคําถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะการที่เราปล่อยวางไม่ยินดียินร้ายกับปัญหาที่เกิดขึ้นในที่ทํางานจะถูกวองว่าเป็นคนไม่ใส่ใจในงานขาดความรับผิดชอบหรือไม่แล้วการปล่อยวางที่ถูกต้องจริงๆแล้วต้องทําอย่างไรคะอ๋อ การทำงานปล่อยวางไม่ได้หรอกงานก็งานก็คืองานมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรก็ต้องทำให้เต็มที่ทำให้ได้เกิดประโยชน์มากที่สุดแต่ปล่อยวางก็คือผลที่จะได้รับจากการทำงานของเราอาจจะไม่มีใครเขาสรรเสริญยกย่องเยินยอเราอย่างกลุ่มเมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่าทำดีกลับไม่ได้ดีทำเชื่อกลับได้ดี เราไม่ทําเพื่อเอาความดีเราไม่เอาผลตอบแทนจากการทําความดีเราทําเพราะว่ามันเป็นมันมีผลในตัวของมันอยู่แล้วเน่ยเราอย่าไปหวังผลจากผู้อื่นหมายความว่าการปล่อยวางในการทํางานเนีอย่าไปยึดติดกับงานว่าจะต้องทําให้เราดีขึ้นรวยขึ้นจเจริญขึ้นอย่างนี้ไม่ใช่แต่เราทําให้มันดีที่สุดเนีเพราะว่ามันถือว่าเป็นหน้าที่ของเราเขาจ้างเรามาเรา เ, เราเป็นลูกจ้างเรามีหน้าที่ต้องทํา เอาเสียเงินเสียทางจ้างเรามาแล้วก็ต้องทําให้ดีที่สุดส่วนการยกย่องสรรเสริญหรือการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนี้เป็นถือเรื่องเป็นของของเจ้านายเขาจะพิ จ, จารณาเขาอยากจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็เรื่องของเขาเขาไม่เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งเราก็ไม่สนใจเนี่ยคถามต่อไปจากคุณนรงชัยค่ะขอกราบเรียนถามครับผมได้มันระลึกอสุภในสตรีเป็นโครงกระดูหรืออวัยวะข้างใน ว่าไม่งามแต่ก็ยังคงมีราคาเกิดขึ้นได้เป็นระยะระยะผ่านไปหลายปีก็ไม่เห็นว่าจะหายไปได้ครับจะทําอย่างไรจึงจะดีขึ้นกว่าการระลึกอสุภะครับกราบสาธุครับ อ, อ๋อก็ต้องระลึกตอนที่มันมี ม, มีมีความอยากสิเวลาไม่มีความอยากระลึกไปมันก็เหมือนเวลาไม่เวลาสุขภาพสบายไปกินยามันก็ไม่มีประโยชน์อะไรจะ ก, กินยาต้องกินตอนที่เป็นไข้นสิฮะพอกินไข้ก็รีกกินยาเลย พอกินยาปั๊บข้ก็หายไปพอเกิดการอารมณ์ขึ้นมาปั๊บก็ต้องนึกถึงอสุภาทันทีไปไหนไววมาตรวจงานเนอะ <c oughs> ไอ้ไล่ไปหน่อยไปกลับไปอยู่ที่ของเธอเถอเฉะนั้นอสุภาเนี่ยเป็นยาที่วิเศษที่จะฆ่าตันหาการมาลาฆ่าได้แต่ต้องฆ่ามันตอนที่มันเกิดสิ ไปกินตอนที่มันไม่มามันกินไปธรรมยาตอนนั้นก็กินไว้แบบทําการบ้านทําเตรียมไว้ก่อนเพราะถ้าไม่เตรียมไว้เวลามันมามันนึกไม่ออกมันึกไม่ถึงเลยต้องหัดพยายามนึกไว้ก่อนล่วงหน้าซ้อมไว้ก่อนซ้อมไว้ก่อนที่จะไปเจอคู่ต่อสู้จริงบนเวทีพอเจอคู่ต่อสู้จริงก็ต้องเอาตามที่เราซ้อมเลยแต่นี่พอไปเจอคู่ต่อสู้ปับ๊บกลับไปรับใช้มันไปก้ ม, ล, มกล้มก้มกราบมันทันที มมมมัันนกนก็ไ็ไไ่ีทาางหายด้คําถามต่อไปจากคุณพานุวงศ์ค่ะถ้านั่งสมาธิแล้วเกิดอาการจากร่างกายเช่นสะอึกหรืออาการเรอเราควรปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติหรือเปล่าครับเอออย่าไปสนใจให้อยู่กับพุโทโธไปหรืออยู่กับลมไปเดี๋ยวมันก็จะหายไปเองถ้าไปกังวลกับมันมันก็จะอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆแล้วเราก็ต้องอแต่เราก็ต้องมีปฏิกิริยากับมันเราก็เลยไม่ได้ภาวนาะ คำถามต่อไปจากคุณโลกนี้เป็นทุกข์ค่ะขอกราบยนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะบางทีฝันว่ามีตัวอะไรก็ไม่รู้วิ่งตามข้าพเจ้าแบบวิ่งไล่ล่าตาขาวโพลนสีผิวหยาบตัวสูงสูงใหญ่แต่ผอมน่ากลัว ม, มากวิ่งจะมาทำร้ายเราเมื่อคืนฝันว่ามีวิญญาณบอกว่าจะตามเคียดแค้นเราตกใจมากค่ะแต่สักพักดวงวิญญาณ ตนนั้นก็ไปนั่งกินขนมอยู่หน้าบ้านอย่างอร่ อ, รอยร่อยเราไม่สบายใจขอให้พระอาจารย์ช่วยแนะนําหน่อยเจ้าค่ะอ๋ออย่าไปสนใจเนี่ยคิดว่ามันเป็นความฝันเกิดแล้วก็ผ่านไปเราอย่าไปมีอารมณ์กับมันพิจารณาว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปเหมือนสิ่งต่างๆที่เราเห็นเวลาเราตื่ น, นมีอะไรปรากฏขึ้นมาเยอะแยะทั้งที่เราชอบและไม่ชอบมันก็เป็นเรื่องของปรากฏการทั่วไป ไม่ต้องมาเอามาใส่ใจถ้าใจเราไม่สบายก็พูดโทพูดโทหยุดความไม่สบายใจไปอย่าปล่อยให้ไปคิดถึงสิ่งที่เราเห็นคาถามต่อไปคำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงออกนามค่ะถ้าเวลาเรานั่งสมาธิตอนแรกมันจะเจ็บปวดมากพอนั่งบ่อยๆก็ไม่มีความปวดและนั่งได้นานจากนั่งไม่ไม่ถึงชั่วโมงแต่นั่งได้ถึงชั่วโมงอย่างนี้ คือถือว่าลูกนั่งสมาธิเป็นแล้วใช่หรือไม่เจ้าคะแต่ะแต่นั่งก็ไม่เห็นอะไรเจ้าคะ่ะนั่งเป็นแต่ยงนั่งไม่ได้ผลบางทุนนั่งได้นานแต่นั่งแล้วยังไม่ได้ผลยังต่อสู้กับความคิดอยู่ต่อสู้กิกเลสอยู่ยังไม่สนุกฉะนั้นการนั่งนานๆไม่หมายความว่าจะได้ผลเสมอไปนั่งแล้วจะได้ผลต้องมีสติต่อเนื่อง เช่นพุโทโธก็ต้องพุโทโธต่อเนื่องอย่าปล่อยให้ไปคิดกับอะไรเลยถ้ามีพุโทโธมีสติต่อเนื่องบางทีนั่งแค่ห้านาทีจิตก็รวมจิตสงบได้นถ้านั่งนานๆก็ถือว่าอย่างน้อยมีความเพียรพยายามแต่ยังไม่มีสติพอที่จะทําทจิตให้สงบได้ยิ่นต้องพยายามเน้นที่สติเวลานั่งต้องฝึกสติก่อนก่อนที่จะมานั่งถ้าไม่มีสติมันก็สู้กันไปสู้กันมา พุทธโทสองคำมันไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเดี๋ยว ก, กลับมาพุโทโธสองสามคำมันก็สู้กันไปสู้กันมาอย่างนี้มันก็จะไม่ได้ผลมันได้เวลาทําไม่ได้ผลแต่ถ้าเราฝึกสติให้มันมีพุโทโธพุโทโธอยู่ต่อเนื่องอยู่เรื่อยๆพอเรานั่งนี้เราก็พุโทโธไปถ้ามันต่อเนื่องห้านาทีมันก็รวมได้เข้าสู่ความสงบได้ คำถามจากคุณพี่ตุ้มค่ะมีสิ่งใดที่จะสามารถปลุกใจให้มีแรงกระตุ้นในการทำความดีบ้างครับขอพระอาจารย์ชี้แนะด้วยครับก็ดูคนดีสิศึกษาชีวิตชีวประวัติของคนดีต่างๆชีวประวัติของพ่อพุทธเจ้าชีวประวัติของครูบาอาจารย์ต่างๆหรือชีวชวประวัติของคนที่มีความดีพอเราได้ศึกษาชีวิตของเขาแล้วเห็นการเจียสละการทำความดีของเขามันก็จะทำให้เรา มีกำลังใจและมีความยินดีที่อยากจะทำตามเขาบ้างชีวิตเรานี่ก็ต้องอาศัยการกระทาของผู้อื่นเป็นแบบฉบับคำถามต่อไปค่ะบางทีทำสมาธิแล้วปวดเมื่อยมากเจ้าค่ะคุณจะกำหนดว่าปวดนอไหมเจ้าคะถ้าเราอยู่กับพุโทโธก็ให้อยู่กับพุโทโธไปอย่าไปสนใจกับความเจ็บปวดทางร่างกาย ถ้าดูลมก็ดูลมไปอย่าไม่ต้องมาเจ็บหนอเจ็บหนอยิ่งเจ็บหนอยิ่งเจ็บใหญ่เพราะยิ่งไปรับรู้พอรับรู้ว่ามันเจ็บก็อยากจะให้มันหายเจ็บมันก็เลยเจ็บสองชั้นเจ็บที่ใจด้วยใจอยากให้มันหายยิ่งเจ็บใหญ่ยั้นใจอยากไปสนใจกับความเจ็บของร่างกายให้บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปแล้วความเจ็บของใจจะไม่มีแล้วความเจ็บก็จะเหลือแต่เพียงของร่างกายซึ่งไม่รุนแรงเท่ากับความเจ็บของใจ ช่วงนี้ำถามหมดค่ะหมดแล้วเหรอห <า S 1> โอเคก็ใกล้เวลาพอดีมีใครอยากจะถามอีกไหมนถ้าไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจรงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิพจิตรณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถิด